สกุลละกายไม่คาสกุลละใจไม่คาคือมอบสกลละกายมอบสกลละใจให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นคาเป็นธาตุพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อหล่าว่าใจไม่คากายว่ไม่คาจึงกลงอภิธรรมว่าพุทธชารัตสมมิทาโสวะขอเป็นธาตุพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อ ธรรมะสาหัสสมิทาโสะขอผูกขาดจองขาดเป็นข้าเป็นทาสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อสังคัสสาหัสสมิทาโะสะศีวะผู้หญิงว่าศีวะผู้ชายว่าโสวะเขาเป็นข้าเป็นทาสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเรียกว่าใจไม่คาเรียกว่าสลาดอาวุธเป็น เมื่อระด์เอาบุญบว่าได้อึดบุญบุคคลผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อารมณ์ทั้งหลายเป็นไปในส่วนบุญเป็นส่วนมากบุคคลผู้เสีอบาปเสีอบุญอารมณ์ของผู้เชืีอบาปเสีอบุญกระนักไปในทา้งบาปทั้งไม่บาปไม่บุญนักไปแท้แน่น่าทั้งกุศล ม, มูอเข่าสางกุศลเมื่อเร็กเมื่อละน้อยกุศลวันน้อยู่คือเกา่าไม่ได้อยู่ตามเดิมก็เพิ่มขึ้นทุกวันถึงแม้ซีววตของเข้าจะลวงไปยทุกวันทุกวันกระามอันนั้นก็เป็นเรื่องของซีววตเรื่องของเข้าจิตสางกุศลผลบุญแข่งกับซีววตก็ไม่อีกอยู่ว่ามันจะปล่อยแหห่วงไปซืือไาาม่ถ่านะไม้สีระไม้ภาวนาไม อันพูดอันมาว่าท่านคุณของว่าพูดพระธรรมพระสงค์ไม่โยมีกลางเว้นกลางคืนไผ่ศรีเห็นบ่เห็นกระซางเป็นของกิ่งอยู่คือฝ้าเนี่ะไผ่ศรีว่าสูงหรือว่สูงกระตามฝ้ากระสูงกับไม่โยงสันว่าขึ้นอยู่กับผู้รู้ว่าขึ้นอยู่กับผู้บารู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้เป็นจริงอยู่ว่ามีกลางว่นกลางคืน พ้นสอนให้ภาวาน่าให้รักษาศีลรักษาศีลคือรักษากิเลสส่วนหยาบรักษาสมาธิรักษาบุญส่วนกลางทำลายกิเลสส่วนกลางทำให้ปัญญาเกิดขึ้นเพื่อทำลายกิเลส อย่างละเอียดกองทัพขั้นที่หนึ่งคือศีลคือทานศีลกองทัพที่สองคือสมาธิกองทัพที่สามคือปัญญาสำหรับจะต่อสู้กับราคะโทสะโมหะ ราคาจะขาดไปได้ก็เพราะเห็นอสุภกรรมฐานชัดพอเห็นโทษเห็นโทษในการหลงของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามคือสกุนาฬกายราคาจะขาดไปได้โทสะจะขาดไปได้ เห็นอานิสงส์แห่งความที่ไม่มีเวรไม่ภีภัยแห่งความที่ไม่มีศัตรูโมหะจะหลงขาดไปโดยเส้นเชิงเนื่องโดยเห็นอนัตตาทำชัดเห็นว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่สักว่าสังขารเป็นแต่สักว่าดินน้ำไฟลม ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่ของท่านผู้ใดเกิดขึ้นแล้วกวาแรปัวนแตกสลายไปอันนั้นเป็นอนัตตาธรรมที่จะชำระกิเลสอย่างละเอียดให้แตกสลายไปส่วนจะชำระกิเลสอย่างยาบเนยะก็คือศีลศีลังโลก อ, อนุตตโร ศีลเป็นเยี่ยมในโลกโลกคืออะไรคือหัวใจศีลเป็นเยี่ยมในโลกหัวใจตัดศีลลงในที่หัวใจไม่ค่าทรัพย์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโมสาไม่ดื่มสุราไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดเลยตัดศีลลงขาดเพงเลยไม่ต้องลำบากใจว่าจะล่วงละเมิดถ้าจะล่วงละเมิดอยู่มันก็ลำบากใจ ถ้าไม่เสียดายอย่าง่วงละเมิดมันก็ไม่ลำบากใจโทสะก็เหมือนกันถ้าเสียดายอยากจะโกรธอยู่มันก็ลำบากใจถ้าไม่เสียดายอยากจะโกรธมันก็ไม่ลำบากใจถ้าไม่เสียดายอยากจะหลงว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลโดยจริงจรงกมันก็ไม่ลำบากใจ แต่เป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลตามสมมุติแต่ตามพระระมัต์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลือกเั่วคร่าวกันเฉยๆอนัตตาธรรมเป็นธรรมลุ่มลึกในทางพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นไม่มีอนัตตาธรรมมีแต่อนิจจังกับทุกขังส่วนอนัตตาธรรมไม่สามารถจะ แ, แยกแยะออกได้ในศาสนาอื่น อนัตตาโลภอนัตตาโกรธอนัตตาหลงเป็นอนัตตาที่ควรเว้นอนัตตาทานอนัตตาศีลอนัตตาภาวนาหรือศีลอนัตตาศีลอันัตตาสมาธิอนัตตาภาวนาเป็นของที่ควรทำให้เกิดให้มีย่ออนัตตาหลงอนัตตาบาปเป็นฝ่ายพยายามละ อนัตตาเว้นเป็นฝ่ายพยายามทําให้เกิดให้มีอัตตาอัตตาคำว่าอัตตาคือตนตนในฝ่ายบาปเป็นฝ่ายพยายามละตนในฝ่ายบุญเป็นฝ่ายที่พยายามให้ทําเจริญขึ้นก็มีความหมายอันเดียวกันถ้าจะว่าตนก็ว่าซะ แต่ตนเป็นที่พึ่งของตนในทานในศีลในภาวนานอกจากร่างกายมีเป็นที่พึ่งของตนและก็มีเป็นที่พึ่งของใจอีกด้วยและก็มีเป็นที่พึ่งของธรรมอันฝ่ายกุศลอีกด้วยเมื่อใจเป็นกุศลธรรมที่มาเป็นคู่กับใจมันก็เป็นกุศลเมื่อใจเป็นบาปธรรมที่มาเป็นคู่กับใจมันก็เป็นบาป พอใจเป็นหัวหน้าถ้าใจมีเมตตากรุณาทําที่เมตตากรุณาก็มาเป็นี่เลียงนางรมของไกถ้าใจฟุ้งซ่านทําที่เป็นฟุ้งซ่านก็มาสรองใจถ้าใจเป็นธรรมในส่วนไหน ทำในส่วนนั้นก็มาเป็นคู amel, ่กับใจ er, right. ใจกับธรรมก็มาอยู่ห่างเหินกันใครกับตากับลูกก็มาอยู่ห่างเหินกันใายกับหูกับเสียงก็ไม่อยู่ห่างเหินกันใครกับกลิ่นกับจมูกก็ไม่อยู่ห่างเหินกันรสกับรื่นก็ไม่อยู่ห่างเหินกันผดทะพักกับกายก็ไม่ห่างเหินกัน ธรรมารมกับใจก็มาด้ห่างเหินกันธรรมารวมที่เป็นบุญเป็นอารมณ์ที่สะดวกของใจอารมณ์ที่เป็นบาปเป็นที่แสดงของใจเป็นที่แสดงของธรรมชาติ สิ่งไหนที่จะมาบวกโลภให้จัดขึ้นสิ่งไหนที่จะมาบวกโกรธให้จัดขึ้นสิ่งไหนที่จะมาบวกหลงให้จัดขึ้นสิ่งนั้นไม่ใช่คำสอนของพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระยามาลคือกิเลสมามารห้า ขันธมารมารคือปัญจขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นญาณเป็นมารเพราะมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแอปพลิ แ, ลแตกสลายกิเลสมารมารคือกิเลสมีโรคโกรธหลงเป็นต้นอภิสังขารมารคือมารอภิสังขารอภิสังขารคืออะไรปูญญาอภิสังขาร อภัญยาพิสังขารอเนชาพิสังขารผู้หวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติไม่ได้ติดอยู่ในบุญด้วยไม่ได้ติดอยู่ในบาปด้วยหวังเพื่อพ้นทุกข์ในมัฏฏะทุกขสารโดยด่วนนั้นผู้สร้างบารมีแก่ก้ามาแล้วนะ ผู้ที่ยังอยู่ขนาดกลางก็ต้องหวังกุศลผลบุญให้พอเสียก่อนผู้อยู่เบื้องต้นก็หวังกุศลผลบุญเบื้องต้นกุศลผลบุญเบื้องต้นคือกุศลผลบุญของปัสสาววันกุศลผลบุญของชั้นกลางคือกุศลผลบุญของพระสกทาคารีกุศลผลบุญเบื้างท้ายคือกุศลผลบุญของ พระอนาคามีส่วนพระรหันต์มาบัญญัติแล้วเมื่อพระอนาคามีเมื่อเต็มบุญแล้วก็เป็นพระรหันต์เท่านั้นส่วนกุศลผลบุญในทางพุทธศาสนาท่านก็บัญญัติเพียงพระอนาคามีเท่านั้นส่วนพระรหันต์ท่านมาบัญญัติว่าบุญว่าบาปเพราะท่านพ้นไปแล้วเพราะท่านเต็มบุญแล้ว บาปท่านกอละพอแล้วเลยไม่มีอันใดจะบรรยัติไม่ได้ติดอยู่ในบุญด้วยไม่ได้ติดอยู่ในบาปด้วยพระละพอแล้วพระสร้างพอแล้วส่วนพระอนาคามีบุญยังไม่เต็มจึงได้สร้างบุญอยู่พอบุญเต็มแล้วก็เป็นพระานบาปก็ละยังไม่พอแต่บาปอันละเอียด ซึ่งเกี่ยวกับปัญญาทุเลาล้วนไม่ได้เกี่ยวกับสมาธิบาปและบุญของพระอนาคามีไม่ได้เกี่ยวกับสมาธิเกี่ยวกับปัญญาล้วนๆบาปของปัจดาบันยังเกี่ยวกับสมาธิและปัญญาอยู่เพราะปับสมาธิและปัญญาและศีลยังไม่แข็งแกร่ง ยังไม่ถึงมหาศีลยังไม่ไดถึงมหาสมาธิยังไม่ได้ถึงมหาปัญญาพระอรหันต์ถึงมหาศีลถึงมหาสมาธิถึงปัญญามหาปัญญาแล้วเป็นปัญญาชั้นสุดท้ายเป็นศีลชั้นสุดท้ายเป็นสมาธิชั้นสุดท้ายเป็นปัญญาชั้นสุดท้ายศีลสมาธิปัญญาเบื้องต้นคือของพระโสดาบัน เบื้องกลางของสกทาคามีอนาคามีเบื้องท้ายของพระอรหันต์สินแตกกระเจิงมีกิเลสแตกกระเจิงออกจากศินไม่ได้เป็นธาตุของกิเลสสมาธิก็ไม่ได้เป็นธาตุของกิเลสปัญญาก็ไม่ได้เป็นธาตุของกิเลสแต่ปัญญาของพระสดาวานสกทาคามีอนาคามียังเป็นธาตุกิเลสอยู่บ้า เพราะยังมีอุปทานอยู่เพราะยังถือเราถือเขาอยู่ไม่พิจารณาลงเป็นธรรมะตรงๆเพราะมหาจิมหาปัญญายังไม่บริบูรณ์เพราะยังมีหลงอยู่หลงถือเราถือเขาอยู่หลงถือหลงถือว่าตัวกูของกูอยู่ส่วนพระอรหันต์ไม่หลงถือว่าตัวกูของกูคำว่ากูว่าสูว่าท่านว่าเธอ ก็ว่าด้วยมีสติและปัญญาไม่ได้ว่าด้วยความหลงเอาผ้าจีวรมาให้ข้าด้วยมาให้ผมด้วยมาให้เราด้วยท่านก็พูดตามเป็นจริงแต่กี่ข้องท่านไม่ได้ติดอยู่ในเราในเขาในสัตว์ในบุคคลอันนั้นท่านพู้พ้นไปแล้วส่วนพระอนาคามีก็ยังติดอยู่นิดเดียวส่วนพระโถวตาวันก็ติดอยู่ สสวองส่วนสามส่วนแต่ยากถึงโลกุตระแล้วใครเป็นผู้หายใจเข้าหายใจออกก็สังขารและกองทุกข์ใครเป็นผู้พูด ก, ก็วจีสังขารและกองทุกข์ใครเป็นผู้นักคิด ก็คือจิตตะสังขารและกองทุกข์เมื่อยังไม่พ้นเมื่อพ้นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอาหุธิกรรมหมดพูดก็ติดพูดฟังก็ติดฟังเมื่อยังไม่ทันพ้นเมื่อพ้นแล้วท่านจะพูดอยู่วันยังค่ำท่านก็ไม่ติดท่านจะนิ่งอยู่วันยังค่ำท่านก็ไม่ติดแต่สัพ์ทั้งหลายก็ต้องติดอยู่ว่าตัวกูของกูมีอยู่นั่นเองพูดก็กูพูดสงบก็กูสงบได้ก็กูได้ เสียก็กูเสียเพราะตัวกูมันนำตามไปอยู่เสมอๆได้ยินก็กูได้ยินเพราะตัวกูมันนตามไปอยู่ส่วนพระทหารไม่ได้ตามพูดกูพูดสูพูดข้าก็พูดเฉยๆไม่มีเกตไปตามด้วยยาเสพติดไม่มีในพระรหานตำกว่านั่นเป็นยาเสพติดทั้งนั้นนั่งก็เสพติดนั่งเดินก็เสพติดเดินนอนก็เสพ ติดนอนนึกคิดก็เสพติดนึกคิดพูดก็เป็นยาเสพติดในพูดฟังก็เป็นญาเสพติดในฟังส่วนเพื่อนพวกพ้นไปแล้วหาเป็นเช่นนั้นไหมเป็นแต่สักว่าฟังเป็นแต่สักว่าพูดเป็นแต่สักว่ายืนเป็นแต่สักว่านั่งเป็นแต่สักว่านอนจิตใจและมห ah าสติปัญญาของท่านเหนือความหลงของตนไปแล้วความหลงไม่สามารถจะมาทาพระมห ah าสติปัญญาให้แตกกระเจิง ท่านผูกพ้นไปแล้วพวกเราต้อง อ, อาศัยอยู่ลุมเพาะและลึกถึงศีลว่าตั้งสมาธิบ้างคนปัญญาบ้างเพราะอาศัยลุมเพาะ อ, อยู่ถ้าไม่มีลุมเพาะสิ่งเหล่านี้มันก็เดือดร้อนมากส่วนพระสารท่านไมอาศัยอะไรเพราพ้นแล้ว พเป็นเอเนแล้วพะเป็นธรรมชาตอันไม่ตายแล้วไม่ได้หวังว่าอันนั้นจะหายไปอันนี้จะเสียไปไม่ได้หวังว่าได้อันนั้นมาได้อันนี้มาไม่ได้สงสัยว่าใจจะเสียไปไหนไม่สงสัยว่าจะได้ใจอื่นมาอีกเพราะพ้นจากได้จากเสียไปใช้แล้วไม่สำคัญว่าตัวเสียอะไร และก็ไม่สำคัญว่าตัวได้อะไรและก็ไม่สำคัญว่าตัวสุนยศูญสิสสส้นสีน้นกล่าวถึงเรื่องเดนน้าไฟลมก็กล่าวเฉยเฉยกล่าวเรื่องถึงสังขารก็กล่าวเฉยเฉยแต่มันไม่ถึงแต่มันไม่ทำให้ท่านหลงเพระมหาสติท่านแข็งแกร่งกว่าความหลงแล้วมหาปัญญาของท่านกว่าสูงกว่าความหลงของตนแล้ว โลบโกรหลงไม่สามารถพยองต่อสู้พระปัญญาของท่านได้ท่านขึ้นขีบนหลังโลภโกรหลงแล้วเหนือไปแล้วสติปัญญาของท่านเหนือวไปแล้วแต่พวกเรามันยังไม่เหนือเพราะมันยังไม่พ้นเวลานึกถึงทานศีลภาวนาตามสติกาลังอยู่บ้าง กิเลสหยาบๆก็เขกไม่ถูกถ้ากินละเอียดเข้าไปในสมาธิสมควรกิลเลสอย่างละเอียดก็เขกไม่ถูกแต่ว่าเมื่อถอนออกมาแล้วก็เขกอีกแต่ไม่สนุกเขกงพระเหตุใดพระเคยชํานาญในการพิจารณา มาท่องเที่ยวแก้ความหลงของตนไม่ได้มาไม่ได้มาท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความหลงเพื่อเพิ่มความโลภความโกรธความหลงเกิดมาเพื่อทําลายความโลภโกรธหลงด้วยพระสติด้วยพระปัญญาด้วยพระทานด้วยพระศีลด้วยพระสมาธิด้วยพระปัญญาซึ่งกลมกลืนกันอยู่ในคณะเดียวแยกออกพูด เพื่อให้รู้จักความหมายอีิแทศีนสมาธิปัญญากรมกลินกันอยู่ไม่ได้แตแกแยกกันไปทางไหนถ้าศีนหยาบสมาธิปัญญาก็หยาบถ้าศีนขนาดกลางสมาธิปัญญาก็ขนาดกลางถ้าสีนละเอียดสมาธิปัญญาก็ละเอียดศีนสมาธิปัญญาแบ่งเป็นสี่ชั้นตามมัต ศีลสมาธิปัญญาของพระสวสดาบาลศีลสมาธิปัญญาของสกทาคามีศีลสมาธิปัญญาของพระอนาคามีศีลสมาธิปัญญาของพระหลานเป็นมหาศีลเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญากลมกลืนกันอยู่ทุกเวลามาในลำบากต่ำกว่าพระสวสดาบาลลงไปศีลสมาธิปัญญาจะลำบาก คล้ายๆจะว่าจะไปจับโครหรือจับกระบือมาไถนาจับญ้ามันมาหยุดให้เรายืนอยู่ให้เราจับส่วนถึงพระสวัสดิบาสักคาคามีอนาคามีแล้วต้องการเวลาไหนก็ต้องได้เวลานั้นไม่ไม่แต่ไม่ต้องการกิเลสที่ละไปแล้วสิ้นความสงสัยไปแล้วไม่ขบรถคืนอกีกยังเหลือแต่สิ่งที่ละไม่ได้ เช็นพ้นจากการระมัดระวังศินห้ามาแล้วสินห้าก็ไม่ได้ขบฏถคืนและก็ไม่ได้หลงขบรถคืนที่จะล่วงละเมิดสินหน้านั่นภูมิพรสสาวาวันไม่เสียดายไม่หลงอยากจ ะ, จะขบฏถคืนสินห้าเลยไม่หลงอยากจ ะ, จะขบฏถคืนในถือสาตดาอื่นด้วยไม่หลงจะขบฏถคืนเชื่อเลิกดียามดี เข้าสมัครถึงว่าพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เสียเงินไม่ได้เสียทองไม่เหมือนเราจดสมัครเป็นอันนั้นอันนี้ในทางโลกสมัครเป็นทหารก็ดีตำรวจก็ดีหรือพ่อค้าก็ดีถ้ามีเงินใต้โต๊ะใต้เตียงสมัครถึงว่าพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เสียไม่ได้เสียอะไรเลยชีวิตตักใส ชีวิตชีวาที่สมมติใช่กันในโลกล่วงไปไม่กลับหลังเลยเหมือนอารมณ์ที่มากระทบเหมือนคาพูดที่เราพูดไปที่เรานึกไปไม่กลับหลังมาอีกล่วงไปล่วงไปล่วงไปน้ำไหลลงที่ต่ำไม่กลับหลังชั้นใดสิ่งทั้งปวงในใจโลกธาตุก็ไม่ได้กลับหลัง ทำบุญแล้วก็ไม่กลับหลังมาเป็นบาปในตอนนั้นทำบาปแล้วก็ไม่กลับหลังมาเป็นบุญนอกจากจะทำใหม่เท่านั้นชีวิตเป็นของสำคัญมากไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่สัตว์ก็ตามแต่ก็สมมติว่าเป็นชีวิตถ้าล่วงไปไม่กลับหลัง จะเลวหรือชาก็ล่วงไปอยู่ทุกลมปรานอยู่ทุกขณะจิตทุกสิ่งทุกอย่างล่วงไปทุกขณะจิตไม่ล่วงไปไหนแต่คุณพระพุทธธรรมพระสงค์และคุณพระเนพาลหรือรางนัง้นล่วงไปทั้งนั้นสังขารทั้งหลายก็ล่วงไปหาระหว่างไม่ได้รูปขันนามขันล่วงไปหาระหว่างไม่ได้ กูสนผลบุญในทางมักผลในพานไม่ได้ล่วงไปไหนก็มีอยู่ทุกการสังขารมีมีล่วงอยู่ทุกการทําฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็ไม่มีล่วงไปอยู่ทุกการพระเนพานไม่ล่วงไปไหนอยู่ทุกการตามก่านั่นลงมาก็าล่วงไปอยู่ทุกการทุกเวลาทุกขณะด้วย เราจะมาหาพระนิพพานในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจไม่เห็นเห็นแต่ข้อวัดปฏิบัติเพื่อจะไปพระนิพพานเท่านั้นเมื่อยังสำคัญว่าตาเป็นตนตนเป็นตาอยู่ตาบใดก็ไม่ข้ามตาไม่ข้ามตนได้ก็มีกิเลสอยู่ เมื่อยังยืนยันว่าหูเป็นตนตนเป็นหูอยู่ตาบได้ก็ข้ามหูยังไม่ได้เมื่อยังยืนยันว่าเสียงเป็นตนตนเป็นเสียงอยู่ตาบได้ก็ข้ามเสียงไม่ได้เมื่อสําคัญว่าตนเป็นรูปอยู่ตาบได้หรือรูปเป็นตนอยู่ตาบนั้นก็ข้ามรูปไม่ได้เสียงกินลสโผฏฐพะธรรมารมก็เหมือนกัน เมื่อสำคัญตวัวนั่เป็นอดีตอดีตเป็นตนก็ข้ามอดีตไม่ได้เพราะมีโมหะตัวแปหลงยึถืออยู่เมื่อสำคัญว่าอนาคตเป็นตนตนเป็นอนาคตอยู่ตามได้ก็ข้ามอนาคตไม่ได้เพราะยังยืนยันว่ามีอุปทานในอนาคตอยู่พระอนาคตยังไม่ว่า ในธรรมปัจจุบันเพระจะ ย, ย่นศีลสมาธิปัญญาลงมาในปัจจุบันเป็นเครื่องต่อสู้กับความหลงกับความโลภความโกรธความหลงจัดศีลลงในลมหายใจเข้า ตั้งมั่นในลมหายใจเข้าคือสมาธิรอบลู่ลมหายใจเข้าออกว่าไม่ใช่ฐานไม่ใช่บุคคลเป็นตัวปัญญาเสียนสมาธิปัญญากลมกลืนกันหายใจเข้าข้างหนึ่งมีทั้งศสีลนสมาธิปัญญาด้วย หายใจออกข้างหนึ่งก็มีทั้งศีลสมาธิปัญญาด้วยแต่มีสติสมัชัญญะรู้ถ้าไมามีสติสมัมปชัญญะรู้ก็ไม่ใช่ศีลก็ไม่ใช่สมาธิก็ไม่ใช่ปัญญาหายออกหายเข้าทิ้งเฉยเฉยเพราะไม่มีสติอยู่ที่นั้นเพราะไม่มีสมาธิอยู่ที่นั้นพระไม่มีปัญญารอบรู้อยู่ในที่นั้นอันอื่นก็เช่นกัน สถานที่ชมนมของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือสติตั้งสติมั่นแล้วก็คือสมาธิที่รวมวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่นั้นถ้ารอบรู้แล้วก็คือพระปัญญาพุธทธธรรมสง์รวมอยู่ที่นั้นเนี่ยในทางปรมัติ พุทธธรรมสงฆ์ในพระสูตรในพระเวไนรวมอยู่ที่วัดวาอารามหรือที่ตนตัวของท่านโดยสมมติส่วนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แท้รวมอยู่ที่สติปัญญาสติปัญญาในที่นี้ไม่ใช่สติปัญญา เพื่อหาอยู่หากินหาใช้หาสอยสติปัญญาที่พิจารณาเพื่อคนทุกข์ในวาทรงสารส่วนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทรรวมอยู่ที่สติปัญญาสติปัญญาในที่นี้ไม่ใช่สติปัญญาเพื่อหาอยู่หากินหาใช้หาสอยสติปัญญาที่พิจารณาเพื่อคนทุกข์ในวาทรงสารพระพุาทธศานสนา สอนให้แคดลาบในโลกอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนถ้าโลกเขาขอให้โลบเอาของตนพระสราบันท่านโลบเอาของท่านทำไมโลกเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยไม่ได้ขอโดยไม่ได้ซื้อพรท่านปฏิจจากอธินาทานแล้วพูดไปไหนมันก็ไม่ไปมันก็มาหาผู้พูดนี่เองมันก็มาหาผู้ฟังนั่นเองแล้วก็มาหาผู้ไม่ฟังอีกด้วยผู้ไม่พูดอีกด้วย เพราะมันยังไม่พ้นถ้ามันพ้นหมดไปแล้วพูดอะไรก็ไม่ถูกหรอกหรือไม่พูดอะไรก็ไม่เป็นปัญหาหรือพูดอะไรก็ไม่เป็นปัญหานึกอะไรก็ไม่เป็นปัญหาไม่นึกอะไรก็ไม่เป็นปัญหาเมื่อมันพ้นแล้วมันก็เป็นเรื่องสังขารไม่มีใครมาคอยรับได้รับเสียไม่สำคัญว่าตนเสียอะไรไม่สำคัญว่าตนได้อะไรท่านพูดพ้นไปแล้ว มีแต่ธาตุดินน้ำน้ำไฟลมและสังขารอยู่ในไตโรกธาตุยัดเยียดอยู่ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยปัจจุบันเป็นพระอาหารหันต์หรือไม่ปัจจุบันไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ถ้าทำถูกเขาเป็นหนทางไปสู่พระอรหันต์เท่านั้นเพราะท่านไม่เป็นเปรตมาเฝ้าปัจจุบันอยู่ท่านไม่เป็นเปรตไปเฝ้าอดีตอนาคตอีกด้วย ที่เอานนมิตรนิมอยมาอ้างกันอันนั้นเป็นเรื่องทำชั้นต้นของพุทธศาสนาเนมิตรเป็นอย่างนั้นนิมิตรเป็นอย่างนี้เห็นเทวบุตรเทวดาพระอินทร์พระพรหมพระยมพระกาญจตรโลกบาลทั้งสือเพราะสำคัญว่าตัวเห็นเพราะสำคัญว่าตัวรู้ส่วนพระในพา ฟ้าความเห็นฟ้าความรู้ไปสะปัญหาทั้งหลายก็ไม่มีในพระนิพพานด้วยที่ปัญหามันมีในจิตในใจก็เพราะยังไม่ถึงพระนิพพาน ถ้าหันยึดถือใจหรือไม่ท่านผู้เพิ่นไปแล้วท่านไม่ยึดถือใจท่านถ้าหากว่าท่านยึดถือใจท่านท่านก็ต้องหวงมีใครมาทําเหิดท่านก็ต้องโกรธท่าไม่ยึดถือใจท่านแล้วมีผู้มาด่ามาว่าท่านก็ไม่โกรธเหมือนพวกเราก็มีแต่มันจะคืนหาผู้ด่าผู้ว่าเท่านั้นเพราะท่านไม่มีสิ่งที่รับแล้ว ไม่มีเมื่อไม่มีสิ่งที่รับก็ไม่มีสิ่งที่จะปัดอีกเมื่อไม่สำคัญว่าตนได้อะไรท่านก็ไม่ได้สำคัญว่าตนเสียอะไรอีกเหมือนกันทุกวันนี้พวกเราหลงลมอารมณ์ทุกชนิดพวกเราหลงนึกคิดพวกเราก็หลงนึกคิด แต่ว่าเมื่อยังไม่พ้นก็ต้องอาศัยอารมณ์ที่เป็นบุญเว้น อ, อารมณ์บาปอารมณ์ที่เป็นบาปกามวิตกความตริในทางกามพยาบาทวิตกความมีอารมณ์ในพยาบาทวิหิงสาววิตก ความมีอารมณ์ในการเบียดเบียนกาเวตกเป็นไฟราคะโทสะวิตกเป็นไฟโทสะโมหะวิตกเป็นไฟโมหะ เมื่อไม่สำคัญตนว่าอยู่ในที่ใดๆก็ไม่สำคัญตนว่าอยู่ในที่นั้นๆปัญหาของท่านก็หมดไปหมดไปเมืองกุศลนารามาเถิดพวกเราจะไปพระบรมจาสดาก็พูดเฉยเฉยไม่มีพิษมีสงนึกเฉยเฉยไม่มีพิษ พวกเราทําไม่พ่นมันก็ต้องม่ยพิษสัมปยุตกันอยู่เป็นยาเสพติดบด<ท>ยือนเอา น, นั่งนอนรับตื่นนึกคิดเป็นยาเสพติดแต่ขอให้เป็นยาเสพติดไปในทางบุญเมื่อยังไม่พ่นยาเป็นยาเสพติดไปในทางบาศ นึกมากก็ขอให้นึกไปในทางบุญอย่าไปนึกไปไปในทางบาปปารบมากก็ขอให้ปารบไปในทางบุญเพราะเรายังไม่พ้นแต่แต่อย่าปารบส่งเสริมบาปนิ่งก็ขอให้นิ่งอยู่ในบุญอย่าไปนิ่งในบาปนิ่งในบาปคือนิ่งยังไง พาะปอกปิดบาปไว้พูดไปไหนมันก็ไ่ไปมันก็มาหาผู้พู ด, พดมันก็มาหาผู้ฟังและผู้ไม่ฟังผู้ไม่ฟังทำไมที่จะถูกเขาเพราะเขาก็เป็นสังขารเต็มภูมิขอถูกสิก็สังขารเต็มภูมิ ท, ทั้งตงไรโลกธาตรูปสังขารก็เสมอภาคกัน นามะชังขานก็เสมอภาคกันก็เกิดขึ้นแปรดับไปเสมอภาคกันไม่มีอันใดยิ่งยอนก่ากันเลยอันใดละเอียดก็เกิดขึ้นละเอียดแปรละเอียดดับละเอียดอันใดหยาบก็เปิดขึ้นหยาบดับหยาบอยู่ไม่ได้แข่งดีแข่งเด่นกันหน้าที่ของใครของมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นพระเนพานก็ไม่ได้แข่งดีแข่งเด่นครับท่านผู้ใดมีหน้าที่ไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่อย่างนั้นไม่นึกว่าจะไปแข่งดีแข่งเด่นกรับใคร สังขารก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่นึกว่าจะเป็นแข่งเดียนแข็งเดนกับพระนิพพานเลยเป็นจริงอยู่ของใครขา้ามันอยู่คนละเก้าอี้สมมตุติแต่พระนิพพานไม่ได้มีเก้าอี้ไม่ได้มีรูปขันนามขันไม่ได้มีผู้รู้และผู้ไม่รู้ไปเกียอยู่ที่นั้นว่าไม่บัญญัติถ้าผู้รู้ไม่บัญญัติล้าผู้ไม่รู้ไม่มีสิ่งที่จะบัญญัติบัญญัติได้คาเดียวว่าแต่ทำอันไม่ตาย หรือพระนิพพานเท่านั้นคือดับเพลินในวัตฏาสองสารรู้แจ้งแทงตลอดในวัตตาสองสารวัตตองสารมีเท่าใดก็รู้แจ้งแทงตลอดหมดก็เบื่อนายหมดเบื่อนายความหลงของตนที่เคยหลงมา ถ้าไม่ต่อสู้ความหลงของตนก็ไม่มีวิชาที่จะต่อสู้ก็ไปเป็นหน้าที่ที่จะไปต่อสู้เข้าสู่สนามหลวงคือสนามศีลสมาธิปัญญาก็เพื่อต่อสู้กับความหลงของตนเท่านั้นที่สมมติวอาต น, ตนท่านผู้พ้นไปแล้ว ท่านพูดสมมุติว่าตนว่าเราว่าเขามันก็ไม่มีพิษเพราะไม่มีกิเลสถิ่งอยู่ในที่นั้นท่านอย่าสำคัญว่าท่านได้ท่านเสียตามสมมติชาวโลวกก็าตามแต่กิเลสก็ไม่มี ผู้ภาวนาธาตุดินก็ให้เห็นดินมดอย่าเอาน้ํามาในใจโลกธาตุเต็มไปด้วยดินผู้ภาวนาธาตุน้ําในใจโลกธาตุก็เป็นน้ำ ม, มดผู้ภาวนาธาตุลมในใจโลกธาตุก็ต้องเป็นลมมดเสมอหน้ากันเหมือนกล่องใส่กองใสน พิจารณาไฟก็ต้องให้เป็นไฟมดในใจโลกธาตุพิจารณาลมก็ต้องเป็นลมมดในใจโลกธาตุไม่มีที่สูงต่ำรุ่มดอนพิจารณาบุญก็ต้องเป็นบุญมดเสนอเมือ่อภาคถ้าพิจารณาบาปก็ต้องเป็นบาบดเสมอภาค ถ้ารู้ไ ม, ไม่ไม่รู้ตามเป็นจริงมันก็เป็นบาปเกิดแก่เก็บตายก็ต้องเป็นบาปหมดมันเป็นบาปมันจึงได้เกิดก็แก่เก็บตายก็เป็นบุญเพราะมันมีบุญว่ามันจึงได้มาเกิดจึงสร้างบุญต่อนผู้พ้นทุกข์ในวัฏจักรสารมีสิ่งที่หวังในโลกไหม ท่านไม่มีสิ่งที่หวังอะไรในโลกเลยท่านผู้พ้นไปแล้วเพราะไม่มีที่หวังหมดหวังแล้วอิ่มแล้วไม่ได้หิวพวกเราที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วในวัดตาท่องสารก็คือเป็นผู้หิวอยู่หิวตา หิวหูหิวจมูกหิวลิ้นหิวกายหิวใจหิวรูปหิวเสียงหิวกลิ่นหิวรสหิวโพธิะพหิวธรรมารมหิวสุขหิวทุกข์หิวอุเบกขาหิวโสมนัสหิวโทมนัสหิวอุเบกขาหิวอดีตหิวอนาคตหิวปัจจุบันเมื่อหิวก็ต้องมีหวัง เมื่อไม่หิวความหวังก็ไม่มีปัญหาก็จบหมดทำไมจึงไม่หิวทำไมจึงไม่มีหวังก็เพราะเห็นแต่กองทุกเต็มโลกเต็มสงสารโลกภายในคือสกลละกายสกลละใจ สกุลวาจาสกุละสังขารกายสังขารสภาพอันแต่งตายมีลมให้กายเข้าออกวัจีสังขารสภาพอันแต่งวาจาคือวิตกวิจารยิตสังขารสภาพอันแต่งกิจคือเวทนาสัญญาสังขาร ท่านพรพจน์ไปแล้วท่านไม่กลัวแพ้ไม่กลัวชนะเลยเมื่อเรายังมีกลัวแพ้กลัวชนะอยู่ก็ให้ทราบเถิดว่าจี้ของเรายังมีมากอยู่ทำไมจึงให้ภาวนา ลมหายใจเข้าออกเพื่อจะให้เห็นโทษในการเกิดแก่เก็บตายโลภโกรธหลงเพราะมีโลภโกรธหลงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเพราะมีเกิดแก่เก็บตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเพราะมีดินน้ำไฟลมอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเพราะมีสังขารอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเพราะมีความหลงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเพราะหลงว่าเป็นลมเราเราเป็นลม หลงว่าจิตเป็นเราเราเป็นจิตหลงว่าอุเบกขาเป็นเราเราเป็นอุเบกขาหลงว่าสุขเป็นเราเราเป็นสุขหลงว่าทุกข์เป็นเราเราเป็นทุกข์ทำชั่นอนัตตาทำเป็นทำมันลึกมากในศาสรชนะอื่นไม่มีเลยมีแต่อนิจังคับทุกขังเท่านั้น ศาสนาอื่นชัดเห็นอ น, นิจจังทุกขังชัดอ น, นัตตาทรรมไม่เห็นเสียแล้วเพราะยังถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่ศาสนาอื่นๆเหตุฉะนั้นจึงเข้าสู่พระนิพพานไม่ได้เหตุฉะนั้นจึงไม่มีพระสสดาบันด้วยจึงไม่มีพระสะาาักขาคามีจึงไม่มีพระอนาคามีจึงไม่มีพระอรหันต์เมื่อพระสวสดาบันไม่มีแล้วสักาคามีจะมีจากประตูใดเมืเ่อสอบประสมหนึ่งไม่ได้แล้ว ผสมสองจะมีมาจากประตูในทำไมจึงให้ทำสมาธิเพราะจะให้เห็นคุณในสมาธิและจะเห็นโทษในสมาธิอีกด้วยเห็นคุณในสมาธิคือเวลาเข้าไปมันไม่ถอนออกเมื่อมันถอนออกแล้วให้เห็นโทษ สมาธิชั้นนี้มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันเป็นอนิจจังอันละเอียดนั่นปัญญาเท่านั้นจะมาทำลายไม่ให้หลงสมาธิไม่ให้หลงอะไรอะไรทั้งปวงปัญญาที่มีพระสติพระสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็คือตัวปัญญานั่นเอง พระอาจารยความรู้ตัวก็คือปัญญานั่นเองสติความระลึกได้ระลึกได้ในความรู้ตัวไม่ใช่ระลึกได้ในความไม่รู้ตัวความรู้ตัวในชั้นพระโสดาบันความรู้ตัวในชั้นสักขาคามีความรู้ตัวในชั้นพระอนาคามีความรู้ตัวในชั้นพราหมณ์เป็นความรู้ตัวที่จบสิ้นแล้ว พระสรัสดิบาลรู้เท่าทันความหลงรคบกอดหลงอย่างละเอียดอย่างยาบอย่างละอียดพระสัคทาคามีรู้เท่าทันความหลงอย่างที่สองอย่างละเอียดไปกว่านนะั้นพระอน า, าคามีรู้เท่าทันความโรอบกอดหลงของตนท่านละเอียดพอสมควรแต่ยังข้างอยู่ส่วนพระราล์ ร, รู้เท่าทันความหลงของตน โดยเส้นเชิงแล้วไม่ต้องเตรียมตัวอีกอส่วนพระสวดามันสักคาคามียนาคามีต้องเตรียมตัวอยู่เพราะยังไม่พ้นเพราะยังลบลาค่าฟันลบค่าศึกยังไม่พ้นโดยเส้นเชิงก็ต้องเตรียมตัวอยู่ก็ต้องมีท่าระวังอยู่พระหั์หมดระวังแล้ว พูดเรื่องฆ่าเรื่องแกงก็ไม่นึกอยากจะฆ่าจะแกงพูดเรื่องรายได้รายเสียก็ไม่ว่าสำคัญว่าตนจะได้จะเสียก็พูดตามสมมุติชาวโลก 8, 8, 5, 14, 8, 5, 14, แปดแปทาสิบสี่แปดทาสิบสี่แมา โอ้อันนี้อันนี้ทราบข้อหนะอันนี้ม า, าจะพาบ่จองมองอหนึ่ง บ, อ, บอว่ามันง่ายเงี้ยบอเอาพักเอาลมหายใจเข่าออกกันหน่อยนิ่งน้องพักเพียบก็ได้ ร่มหาปีได้ซื้อเพื่ได้ดอกรามคาใจเขาย่าใ้หัวจักร่วมคายใจเขาสันในหัวจักแล้วไปแตงมันขัดแตงมันมันไงนี่มันกับมันแน่อ่ะอย่าไปแตงมันกับไงเฮ็ดนั่นคือปล่อยมันตามธรรมดามันหายไม่อิสระแล้วไปเฮ็ดี่สมันเมื่อย มันตองใดหาใจเข่ามันตองมานใดเอาหายเบื้องลูหายใจออกมันตองมานใดมันชนัด้ามันใ้จับมันหันไหลันโดดบาดเนี่ยไอฉันโดดเนี่ยอารมณ์บาดนี่อันฟังแท้เดี๋ยวันันโดดนีหันแกงพื่นแกงเพ่บาดนี่ยฉันโดดเนี่ยอารมณ์องไฟของมันเอาที่วันนกลาว่าเป็นแตสักว่าจิตก็ได ผูโทษโมสังข่อยหันนะ่ะล่ะหรือสิบวริกรรมว่าเป็นแท้ซักว่าพุรุกได้พ่อมกับลออกล่งเขาเห็นว่าอะไเห็นกองทุกบ้านละนั่งเบิงนั่งเบิงกองทุกเห็นว่าล่ะนั่น <laughs> นั่นอริยาบถเ อ, อริยาบดมันเปลี่ยน มันปิดบังทุกประศพี่าวนาบ้านบอกอริยบถปิดบังทุกประศรีบ่ให้เห็นทุกอริยบถคือเปลี่ยนขำมันเมื่อยเฮากระลุกซักกัะนางสักกระป๋าซักนะมันปิดบังทุกมันพอเห็นผมลนผมงอกขึ้นมาโกนผมเหรอผมจะพลงขึ้นมาอันนั้นมันปิดบังอานิจจังภนว่าข้อมเป็นทอนเป็นก้อนเป็นทอนเนี่ยมันปิดบังอนัตตา ัน่าวิปพน้าสะกก๊จับเรี่ยงเขากงเป็นอดีตนี่ันตัวเม่นบะนี่มเขากงกระเดินที่ว่ายะชิลน่าที่ว่เขาหนังนะกลัวปะทำชิลนาที่ปะเนาะ ยี่หมาเหรอทุกวันนี้แสดงมันแสดงให้เห็นเท่าไรเห็นบ้างการจะเกานั่มันมันบเห็นทุกขักเนี่ยเมื่อห้าวกะนังห้าวกะยางซะมันพูดมาได้ว่าห้าวกะพริกเ่งใช่ไหมพลวามันปิดบังทุกข์เพราะั้นอริยาบทปิดบังทุกข์ โกนผมแล้วมันงอกขึ้นเป็นบางอ น, นิจจังความที่เป็นก้อนเป็นท่อนเป็นบางอนัตตาผู้ล่งคนพอตัดข้อปรากฏเราตัดข้อคออวงถิ่มบมแนมโมแนมมลควงถิ่มแนมจะมันข้อกุดอยู่ผู้ล่งคนผู้ร่าคนพอตัดแ ข, ข, ขนถิ่มควงแขนถิ่มแล้วบมแนม บนแนมบ้นถิ่มแนมมันมันกูนกนกรุดจ้วยผู้คนตัดขาถิ่มควางขาถิ่มบนแนมแนมจะมันกูรุดด้วยผู้คนสมมุติอไฟเผาลุกขึ้นท่วมมวยเวกพื่นสมมติเก็บดูพร้อมพู้คนผุ้น่าขะสิบ่แห้งเพื่อน ผู้นันเป็นราคะาจิตมันถือกับอันนั้นผู้ถือก็ร่ำพ่ายใจเขาออกเป็นโมฆะจิตพราะมันหลงมาเริ่มผู้ถือก็พูดโทษเป็นรากเป็นศรัทธาจิตส่วนดินน้ำไฟร่ำมันแพงดินแพง่นพงน้ำแพ่งไฟแพ่งรม่มือนจิตได้หกจิตที่ถูกทุกคนนี่น เ, นเป็นของกลางดินน้ำไฟรุ่งเพ่งดินเป็นอารมณ์แพงน้ำเป็นอารมณ์เพ่งไฟเป็นอารมณ์เพ่งร่ำเป็นอารมณ์ ถือวัตทุจริตนะไม่ได้เลือกส่วนอันสุภาจะถือตะผู้ราคาจริตส่วนเมตตาจะถือตะผู้โทษสาจริตส่วนพุทธาจะถือกับจริตบุคคลผู้เสือมไม่คว่ำเสือ่อมบอกยังละเสือ่อหลดว่าท่านเป็นพิจนาผู้นั้นต้องถือกับพุทโทษส่วนกรรมฐานที่ถือกับจิตทุกทๆ ก, กรรมฐาน พิจาหนาดินเป็นอารมณ์พิ่จะหนาน้ำเป็นอารมณ์พิ่จะหนาไฟเป็นอารมณ์พิจะหนาร่มเป็นอารมณ์สมมุติจะเป็นก้อนดินมัดสมมุติเป็นโพนสะกก้อนร่างกายสมมุติจะเป็นน้ำมัดนะ้รเป็นก้อนน้ำแข็งอะ้รพี่จะหนาเป็นสมมุติจะเป็นไฟไฟว่าเผาสมมุติเป็นล่มเป็นก้อนร่มถือมัดอะไรพี่หน้าดินเป็นอารมณ์ก็ถือพิจาหน้าน้ำไฟร่มก็ถือทุก ทุกจารีตนะเนแต่ว่านี่าาน้ำไฟร่มเป็นท้องไผ่มเพามันท้องสัตว์มันมุคนอันนเป็นตัวปัญญาอ น, นี่ยของเราไม่มีผู้อื่นไม่มีของผู้อื่นไม่มีเมื่อเราบรรม่มีของเราจะมีมาเ้ไถ่มีจะรม่มผู้ยังผูย้ยค้นยืนหยันองค์สัตวผู้นั้นผู้นั้นแต่กำลังมากกันผู้นั้นเห็นในมีดเกิดขึ้นมว่าสร้างบโมฆะชาเป็นรัสักว่ารุเป็นักสักวะเห็นลด ไหนนี่มันหายไปเองวันเม่ต้องสมมุติให้มันหายตายฆ่าภาวน่ากำหนดร่มห้ใจหอกไปเกิดพ่อมาโลกขมขันพุนสันสูงพ่อมาเป็นสัทธาพ่อมาโลร่หตตาพ่อมาเป็นสัทธาพ่อมาเปร่อเหตตามหาพ่อมว่า เป็นปฐมมาซานปฏิตตาพระพาอนมาระภาอภัตราเป็นทุติย า, า่านห่ายบ่แม่แม่ยูพ่มาไปสาัปายาปฐมมาซานสันสามัญ ขมูลราให้ตามันสั้นกลางปฐมมาสร้งสั้นกลางมหาพมอมาเป็นปฐมมาสั้นสั้นละเอียดสั้นจะลสั้นละสันีสามมันทีสามขันนี่ปฐมมาสร้าสั้นสามัญสั้นกลางสันละเอียดทุติยสร้สั้นต้นเอ่อสันสัญญาบสันกลางสั้นละเอียด ธาตทั้งสีมันแบ่งออกเป็นสิบสองผลเพราะมันมียางก่างยางหยาบยางละเอียดชานั่งแปลว่าเพ่งยูสมาธิทิ้งแปลว่าตั้งมันในการเพ่งยูมีความหมายอันเดียวกันการย่าแปลว่ารอบรู้ในการเพ่งยูของที่เพ่งอยูเน่ยมันสัตว์มันมุขชนม่นมันของเจ้าบะนี่มันด้านปหน้าอันเจ้าเพ่งอยูเนี่มันของเจ้าบะจิตมันจิตเจ้าวะอันธรรมชาตปัญญา อันเป็นทะศักลมอันเป็นทัศาวจิตเป็นทัศนภูรูความเขาลมหายใจเขาออกอันนั้นมันเดินไปน่ายรับสมาธิขวบกันอันยทาวาติวาบุราปะริปุริสาสลังเอวามีวิโตเทนังเปตาหังอุปการปฏิวิธิตังวิธิตังตุมหังคิปเมวะสเมจจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะามณีโชเทระโสยะา สพทโยวิวัชนดยสัพพรุโภสัพพโยสัพโรโคเวนัสสัตุมาเทภวัตตันทรายโย